ไปสีมาสมบัติและปริสัตสมบัติก็ผสมกฏกรรมที่ทําในสีมาซึ่งมีลักษณะไม่วิบัติตามที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นในเรื่องของนิทานชื่อว่าไม่เสียไปเพราะสมบูรณ์ด้วยสีมาสมบัตเอาเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครเรื่องสีมานะจะมีสีมาวิบัตสิบเอ็ดย่างสีมาสมบัตสามอย่างเอาสีมาวิบัตสิบเอ็ดอย่างมีอะไรบ้างครับเอ็ดเคร ติดมาห้าเกียวครับอ๋ออันนี้ข้อดีกันครับติดมาห้าเกียวเีใครเขาทันนี้มิครับไม่มีไม่าม่ไมไม่ไม่ทางและเกินไปใหญ่เกินไปใช้ห้าครับ สีมามีนองเป็นนิมิตมีนองเป็นนิมิตจริงไหมครับสีม า, มาที่สมมุติในสัตว์ธรรมชาตินะครับสมมุติในแม่น้ำสมมุติในทะเลแล้วก็สีมาที่อยู่นอกสีมาสมมุตินะครับถ้าเวลาสมมุติต้องเข้าไปอยู่ในเขตสีมานะครับอันนี้อยู่นอกสีมาสมมุติเอสเมันได้แค่สิอย่าง ขาด้วนะขาดไปอย่างนนครับอ๋อ anyway, ส ain ีมาทัส uh, yeah. mm ีมาใช่ใช่เอสีมาทําส uh ีมาครับนี <the> ่นะแล้วก็สีมาสมบัติมีสามอย่างนะครับคือริัสมบูรณ์ด้วยบริษัท่งนี้ไหบริษัทก็มาว่าจาน สามออย่างนิมิตบริษัทกรรมวาตาครับถ้าจำไม่ได้ก็เปิดไปประมาณหน้าก้าวครับใช่แนละ้วสมบูรณ์ด้วยนิมิตบริษัทแล้วก็กรรมวาตาสองอย่างนะนี่เชื่อสิอ่าที่ว่าไปแล้วนะครับไม่ผิบัญตินะอ่อไม่ผิบัญญัติแต่อย่างที่ว่าไปแล้วก็สมบูรณ์ด้วยสีมาสมบัติครับนี่แหละผสมบนกาที่ไปทําในสีมาอย่างนี้แหละนะ ชื่อว่าสีมากสมบัครับสำหรับทอดของบริษัทมีสามอย่างนี้คือบริษัทก็คือพิสูนที่มาประชุมกันะจะเทาะสม ก, กรรมให้แก่หน้านะครับอย่างน้อยในปัจจุบันชนบุรีก็ห้ารูปในมัชชิมะประเทศใช้พิสูจน์สี่รูปนะครับมัชิมะประเทศในประเทศอินเดียแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศ เฉพาะเขแคว้นถึงไหนอยู่แควนไหนจำไม่ได้นะไมได้กําหนดไว้นะจะต้องใช้ฟ้าสิบรูปแต่ถ้านอกจากนั้นนะมันไม่ใช่สถานที่ที่กำหนดไว้นะครับนี่ว่าปัจจุบันต่างชนบทใช้ฟ้าแห้ารูปก็พอเป็นเช่นประเทศไทยเนี่ยใช้ฟ้าแค่ห้ารูปนะครับทีนี้ก็มีเหมือนการเข้าของบริษัทนี่มีสามอย่างคือหนึ่งพิสูจเข้ารุ่งกรรมไม่ครบจํานวนเข้าไปแค่สี่นะครับจับบทหน้าฮะ นะ่รับขึ้นอที่เป็นทั้งกรรมวจาจางกรรมทั้งหมดนะครับไม่ครบไม่ครบห้าลูกมันก็บวไขึ้นอี่าน้อยต้องห้านะครับเผื่อไว้มากๆดีเผื่อหาอย่างคนหัวไม่ขึ้นม้าอะไรบ้างนะให้ได้เผื่อเยอะๆน่อยก็จะคนะกทจะประเทยืดปนี่กก็จันตัดประเภทประเทใชก็ไม่น้อยนะครับเรที่ก็อนย่างแก่่างใจเนี่ย คือไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบของเรานะปัจจุทีนนี้ไม่ได้เอาว่ามันเป็ชายแดนอะไรลาบากง่แค่ไม่เอาออเฉาะมาชิมะมแค่ที่สรากระโดไว้นะที่เหลือก็จะเรียกว่าปัจจุันนจนหมดทั้งหมดาได้เอาชื่อเอาชื่อของสถานที่ตรงนั้นแบ่งแบ่งอยู่ในมชิมะอปัจจันะมคททยช แล้วเกิดที่ชื่อตน้เคกรเคยเป็นที่หรือว่าเป็นเมืองที่ม้างแล้ตอนหลังกาเป็นมืองร้างาหแนีล้วเอาอะระอนะก็จะอที่เก่าเลยอือะที่เก่าเลห้มือนจะเป็นที่้าความจริงมีหมาหลายสาเห็นเกี่ยวไม่ใช่เาประเทศนะเทพทธิดาจะไม่ได้ว่าแขวนถึงแขวนไหนนะเกี่ยวเป็นที่ที่พรธเจ้าแสดงอยู่นะ สมัยนั้นนะจำไม่ค่อยได้คืเห็นผลร้ายอย่างต่อไปนะครับอสองไม่นําฉันท่าของมิจูผู้ควรฉันท่ามาคือวเวลาทำศัายกรรมเนี่ยผ้าในสีมาสมุดตั้งข้อทบาร์มาร่วมกันใช่ไหมครับทีนี้ถ้ า, ามีผ้ารูปหนึ่งไม่สา ม, มารถมาได้อาจจะป่วยเป็นต้นนะมาข้าอทบารไม่ได้แต่ถ้าก็อยู่ในเขตสีมาอันนี้ก็เรานําฉันท่ามา ถ้าไม่นำสัญาติใหม า, า, มาท่านก็ไม่ได้คราบายนะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ที่ว่ากรรมเป็นว่างนะใช้ไม่ได้ต้องนำสัญชาติมาครับสามเกิดการคัดค้านกรรมต่อหน้าหมุดจุดค้าไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้เสร็จเลยหวชไม่ได้นะ <c oughs> มีคนค้านนะครับต้องอุปสงค์ผู้รูปที่อยู่ในที่นั้นนะเห็นชอบไม่มีใครคัดค้านเนี่ ย, ายานะอาจจะสงสารลูกนี้เป็นบันดอก <c oughs> สองสารนัยค้านนี้ไม่เห็นด้วย ต้องตัวนเช็คกให้ดีนะตื่นพระโต๊ะพียนที่นอกหรือว่าเป็นวันดดดหรือว่าเป็นอะไรองเที้ยจะมีได้นะถ้ามีคนค้างก็ไม่ได้คาเต้อะไระครับคาเต้ใช่ครับอ๋อไม่ได้คนค้างก็จะมีโทษครับจะมีโทษนะค้าต้องมีเหตุผลนะครับไปค้ากงกรรมที่เป็นกําที่มันถูกต้องนะกรรมจะไม่ผิดรู้สึกว่ามียบ้ตหนึ่งกัน จะในกรมอื่นนะที่จำตัวอย่างได้ในกรรมอื่นที่พ่อขาเอกก็ว่าสงจะลงกรรมภาพพวกตัวเองภาคพวกตัวเองทำไม่ถูกสงฆ์ก็จะลงโทษในการลงกรรมใช่ไหมตัวก็ไม่ยอมก็ค้านไม่ยอมให้สงลงกรรมโทดเองเนี่ยมีนั่นก็จะกฏที่นี่นั่น ต่อไปนะครับอันนี้สามอย่างนะอุปสมบทกรรมที่ทำในบริษัทซึ่งพ้นจากข้อเหล่านี้ชื่อว่าไม่เสียไปเพราะความสมบูรณ์แห่งบริษัทครับรครอบจมูกนั่เข้าเข้ากรรมครอบจานวนําสันท่งของผู้คนฉันทะนําสันท่ามาครับแล้วก็ไม่มีใครค้าจนส่วนจบหน้ามีใครค้าเลยแต่ถ้าสวนจบแล้วมาฆ่าี่หลังนี้ไม่ได้นะคนนั้นก็ถือว่าบุญไปแล้วบุญไปแล้ว และอุปสมบทกรรมที่ชื่อว่าสมควรต่อฐานะเพราะสมควรกับเหตุคือสมควรต่อคําสอนของพระศาสด า, าก็คือถูกต้องตามที่พระองค์ทรงตรัสไวบ้บัญญัติไว้ทุกอย่างนะตามคำอธิบายที่ว่ามาทั้งหมดนี้บุคคลใดอุปสมบทด้วยอุปสมบทกรรมคือยันติจตุถักกรรมอันไม่เสียไปคือไม่กําเริกเรถูกต้องทุกอย่างนะใครๆไม่สามารถที่จะมาสักาำได้ ชื่อว่าไม่เสียไปที่นี้สมควรต่อฐานะก็คือมื่กี้นะ่ะต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้บุคคลนี้ชื่อว่าพิสุในปราชิกสิกขาบท น, นี้ส่วนพิสุเหล่าอื่นผู้ประสมบทด้วยเหตุที่ขู่ประสมประธานเป็นต้นที่ว่าไแล้วเมื่อวานครับนบุสมบทแปดอย่างจะถูกเน่าเข้าในสิกขาบทที่เป็นปันนาติวัชชะ ในสิกขาบทที่เป็นโลกาวัชชะหมายเอาที่สู่ที่ประสมบทด้วยยติสุทธกรรมในสิกขาบทที่เป็นปณติวัชชะหมายเอาที่สู่ที่ประสมบทด้วยวิธีประสมบททุกอย่างนะครับตอนนี้มีความอธิบายนะมีคำอธิบายนะครับสิกขาบทที่เป็นโลกาวัชชะนะเป็นยังไงต้องต้องรูตรงนี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวเราจะได้ยินอย่างละเอียดนะครับ ข, ข้างหน้ า, นะ า, าก็จะอธิบายนะ โลกลบลลลลับวัชชาก็ไปไปไปต่างสา์ไปก่อนว่าทอดทางโลกปณันติวัชชาก็ว่าทอดทางพระบัญญัติทอดทางโลกนี่เป็นยังไงมาเขาว่าสักขาบทนี้น่ะจะเป็นข้ อ, ข อ, ขอไหนก็แล้วแต่นะเมื่อมีเจตนามีความจงใจล่วงละเมิดไปแล้วนะครับใจจะเป็นอัุศรุษอย่างเดียวเมื่อมีเจตนาจงใจล่วงละเมิดแล้วใจจะเป็นอันตรุษอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะรู้สึกขาบทหรือไม่ก็ตามขนาดทานั้นใจต้องเป็นอันตรุษอย่างเดียว นี่เนี่ยว่าโร ก, กับวัชชะอย่างเช่นข้อแรกประราชิกข้อแรกเศษเมถุนเนี่ยคุณจะรู้รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าข้อนี้มันอ่าเป็นประราชิกมันขีดพ่าวิไนนะจะรู้รู้ไม่รู้รรก็แล้วแต่แต่เวลาสัตว์ไปเศษเมถุนกันตอนนั้นนะ่ะใจจะเป็นอกุศลหนึกกน่งเดียวแน่นอนเนี่ยนี่ยกตัวอย่างมาครับสิกขาบทแพทย์นี้แหละที่ว่าถ้ามีความเจตนาจงใจวจาใกเป็นกุศลหนึ่งเดียวเรี ว, ว่าโกกรของวัชชะนะครับมีข้อนี้เป็นต้นนะ ่าจะมีค่าตักง่ายมากข้อดาบพ่สุข้อมุาหลายๆอย่างนะครับน mm ี hmm. ่นารมณชาซื้อสินค้าบทที่เป็นโรมณ์กรรมชาอะนะ mm hmm. พิสุที่อยู่ส ม, ยสมบทเลือกอหิพิคูผสมปรานะจะไม่มีการต้องสินค้าบทหล่านี้้นะครับ mm hmm. เพราะอะไรนะตอนนี้มีคาอธิบายนะครับ mm hmm. ถ้าบอกว่าในที่นี้อะนะไม่เอาผู้บวชด้ยยติจ ก, กมาวาจาเท่านั้น ไม่ได้หมายเอาพิสูจน์ผู้บวได้วิธีอย่างืนะครับเพราะอะไรเพราะผู้บวด้องพิขูนะครับเป็นสัตว์ผู้มีในภมชาติสุดท้ายก็ย่เป็นผ้าทหารแน่นอนในภมชาตินี้นะครับเมื่อเป็นผ้าทหาจะไปล่วงละเมิดสินค้าหมวดที่เปดีนี่ไม่มีครับไปเศจเมตุน้ยเป็นผ้าทหารแน่นี้นะไม่มีไปฆ่าสัตวตกยุงนดนดามเขื่อไม่มีนะครับอยงไม่มีปไม่ได้อย่างนี้นะ และก็ผู้ที่บวช ด, ด้วยการรับสาระคมสามนะครับสราระคมมือประสัมพันธนะบวช ด, ด้วยการรับการชนะคมอันนี้บอกว่าเป็นสัตว์ผู้บริสุทธิ์ครับเป็นสัตว์ผู้บริสรุทธิ์นี่ยังไงเคยไปเจอคำอธิบายที่หนึ่งนะครับสัตว์ผู้บริสุทธิ์ก็คือเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกก่อนที่มาจากพรหมโลกนะเขาจะไม่ดึนดําในการมคุยมากไปเรื่องหน้าของฌานสมาบที่เขาเคยได้นะ ถึงแม้ว่าจะเคลื่อน่ากพมาโลกแล้วนะครับชาต น, นั้นก็ยังรักษาเข้าไว้นะใจมันจะไม่หมดมุม่งกับเรื่องการมืคุณวันนี้มันไม่ยินดีนะครับอย่างเช่นพระมหากระสปานะกับพัฒนาอัยทัตการกิรานีที่ไม่พม่าโลกใช่ไหมถึงไปอยู่ด้วยกันไม่อกไม่ประสงค์ที่จะมีผู้คลองเลยประสงค์แต่จะออกบวชอย่างนี้นะนะครับเรื่องหน้าของชาติก่ก็เคยได้นะครับยี่ถ้าเป็นสัมพวกนี้ถ้าสั่งสมปณิสาอะไรมันเต็มที่แล้วเนี่ย พอมาได้บวชเพื่อทำก็โอกาสที่จะมารุ่นทาก็มีได้ง่อันนี้ท่านก็ไม่เอานะครับไม่เอานี้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้มารู่กันหมดหรือเปล่าที่บวนู่นตายสนน้ผมไม่ได้มารุนหมดนะเพราะว่าไม่มีการวบรวมสัขาริศโลกวาชฌานะอันนี้ได้เลยใจนะแต่บอกว่าเนี่ยเป็นสามุ่นบวริสุทธ์นะครับอืมครับ และก็โอวาทะ น, นะครับการอุปสมบทพิจูผูอุปสมบทด้วยการรับโอวาะและการตอบปัญหานะเป็นผ้าละหารแน่นอนใช่ไหมผู้ที่อุปสมบทด้วยการรับโอวาะคือทรรมหากัสปะที่เขาธรรมหากัสปนะนั้นเป็นผ้าละหารแล้วก็เป็นเอตตะคะด้านทรงทุโงะล่งทุโงะและคนที่อุปสมบทด้วยการตอบปัญหาก็คือสั ม, มนเนสโสปากะนี่ก็เป็นผ้าละหารกัน เพราะฉะนั้นจะไม่ประสงค์สิขาที่เป็นโลกวาวัชชะถ้าที่ไม่มีการร่วงนะถ้าบอกว่านะครับเ อ, อบคุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะต้องสิกขาบทที่เป็นโลกวาวัชชะมีประลาชิกเป็นต้นะครับคือจะไม่มีการต้องนะนะโลกวาวัชชะส่วนผู้ได้บวชด้วยการรับครูธรรมแปดประการก็ดีใช่ไหมนะครับเป็นต้นนะครับบวชด้วยพวกนี้แหละอันนี้เกี่ยวของพิษุณีนะ ตอนนันก็ไม่ต้องพูดถึง <Okay. S 1> ตรนี้ครอกเรื่อองมิตรนิยม่านึ่งนี้รับนี่เมื่อกี้ส่วนสุดขาวบทที่เป็นปั น, น, นติวชัชร์อ่ะอารูล้ลู้กับวัชร์ได้ใช่ไหมหล่รู้กับาาวัชร์ถ้าแปลตามภาษาบานะเท่าทางโลกทาไมบอกว่าเป็นท่าทางโลกนะอย่งที่ว่ามันเกี่ะถ้ามีเจตนาและก็ใจจะเป็นอกุศลอย่างเดียวอกุศลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเท่าตามปกติของโลกนะ อกุศลเป็นทอดตามปกติของโลกแล้วนะ mm hmm. ประศิษขานที่เป็นนี้เรียกว่าโลกวัชชาครับสมศิษขานที่เป็นปัณติวัชชาตอนนี้ก็จะตรงข้างโลกวัชชาก็คือถึงไม่มีเจตนานะใจก็ไม่ได้เป็นอกุศลอย่างเดียวอาจจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เป็นกิริยาจิตก็ได้เอ็นเช่นอะไระครับเอ็นเชินอะไรดีอ่ะอยู่ประจาก ต, ตายจีวรนะครับ ทีส่สุเขาเวลาเขาถือไตจีวรพิฐานนะเป็นผ้าไตเนี่ยเขาจะต้องาาอรักษาไตจีวรก็อารมณ์ขึ้นผ้ากับตัวต้องอยู่ใกล้กันเนี่ยถวัตนะครับท mm ีนี้ถ้าไปใส่ผ้าไว้ทีล้าวนู่นแต่เจอมันนอนในกุฏินแล้วก็จออารมณ์ขึ้นผ้าจีวรกับตัวมันได้อยู่ใกล้กันนะครับจออารมณ์ขึ้นนัก็จะต้องอาบัดเพราะอยู่ประสาทจับไตจีวรเนี่ยซึ่งการทําเนี่ยถามว่า mm hmm. เกีกบว่าใจาต้องเป็นลูกศรอย่างเดียวหรือเปล่า mm hmm. ไั่นเป็นใช่ไหม ได้เป็นนะครับมาถึงถ้ายังไม่รู้ภาพบัญญัตินะครับถ้ารู้ภาพบัญญัติรู้ท่ารู้แล้วก็ยังขืนทํานะมันได้เผยเนปะ็นะจงใจนี่นั่นจเป็นอกุศลแน่นะครับแต่ผู้อื่ท่านยังไรู้ภาพบัญญะนะัติน่ะไม่ได้ไกก เ, เ, เดดนนกนนนนี่ ย, ญญงงยงงนะวว่าจะต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าหลงกลปัญติวชานะครับหรือว่าถอนหญ้าขูดดินอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับในกรณีที่ยังไม่รู้ภาพบัญญัตินะถึงจงใจทําลงไปนะไม่ได้กำหนดว่าใจต้องเป็นอกุศลอย่างเดียว เรียกว่าปันติปัะชานะัต่อไปนะครับอันนี้ได้นะครับนะต่อไปกาลาศิกขา